ก่อนหินหนักเมื่อเราไปแบกไปถือมันถ้าหากว่าเราปล่อยมันไว้อย่างนั้นให้มันอยู่บนพื้นไม่ไปแบกไม่ไปถือก็จะไม่รู้สึกหนักแล้วก็จะไม่เกิดความทุกข์ขึ้นเวลาทุกข์เพราะไปแบกหินหนัก อย่าไปโทษหินนะเพราะว่ามันก็เป็นของมันอย่างนั้นอยู่ตั้งนานแล้วแล้วที่จริงมันก็กองอยู่บนพื้นด้วยแต่เป็นเพราะเราไปแบกเองความทุกข์เกิดขึ้นจากการที่เราไปแบกเอาไว้จะไปโทษหินไม่ได้น้ำแหลมในป่าหรือว่าน้ำแหลมของ กุลาบก็มีอยู่อย่างนั้นต้องนานแล้วนะแต่ถ้าเราไปเดินเตะเข้าหรือว่าไปจับถูกแล้วก็ถูกทิ่มถูกแทงเข้าถูกน้ำต่ำเราอย่าไปโทษน้ำนะต้อง กลับมาดูที่ตัวเราว่าเป็นพ่อเราไปเดินเตะเองเป็นพ่อเราไปจับไม่ถูกที่ถูกทางบางทีก้อนหินก็เดินเอาก็กองอยู่บนพื้นแต่เราเดินไปเตะเข้าคนจำนวนมากพอเจ็บเขาก็ไปโทษก้อนหินแต่ว่าไม่ได้ โทษตัวเองว่าเราไปเดินเตะได้อยังไงนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราด้วยเพราะความทุกข์ที่ใจเนี่ยเวลาเกิดขึ้นเรามักจะไปโทษสิ่งภายนอกไปโทษคำพูดของผู้คนไปโทษการกระทาของคนบางคนไปโทษดินฟ้าอากาศ ที่จริงอันนั้นมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่เป็นเพราะว่าใจเรานี่ไปช่วยไปแบกบไปเก็บงำเสร็จแล้วก็เลยมาทำร้ายจิตใจตัวเองบ่อยครั้งคนคนเราเนี่ยเวลารู้สึกทุกข์เพราะหินหนักเพราะไปแบกหินหนักเอาไว้เนี่ย ที่จริงเมื่อรู้ว่าทุกข์แล้วนี่เพียงแค่ปล่อยมันลงไปไอความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกหนักก็หายไปแต่ก็ไม่ยอมนะส่วนหญ่ไม่ยอมก็ยังแบกเอาไว้ทุกข์ก็ยังแบกเอาไว้อันนี้เพราะอะไรนะเพราะความไม่รู้ตัวเหมือนคนที่ตกใจเวลาไฟไหม้บ้าน ก็พยายามจะขนทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ในบ้านออกไปจากกรองเพิงจะได้ความตื่นตกใจก็แทนที่จะไปหยิบโนนที่ดินหรือว่าเพชรนินจินดามากับแบกโอง่งออกมาจากบ้านในออคงนี่แถมมีน้ำด้วยนะไอตอนแบกนี่ก็ไม่รู้สึกหนักนะ สามว่าความหนักมีไหมมีนะแต่ว่าเวลาตอนที่แบกไปนี่มันไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเพราะอะไรเพราะตื่นตกใจบางทียิ่งวิ่งยิ่งเหนื่อยนะแต่ก็ไม่รู้เราเป็นพ่อแบกเอาไว้แบกโอ่งเอาไว้พอวิ่งมาได้สักพัก ปลอดภัยและความตื่นกลัวตื่นตกใจหายไปก็เลยรู้สึกหนักหนักเพราะะอ อ, ะรอพรแบกแบกอกเอาไว้พอรู้เท่านั้นแหละมันวางเองเลยพอรู้ตัวเมื่อไหร่เนี่ยการปล่อยกรารวางก็เกิดขึ้นได้แต่ที่แต่ทำไมรู้ตัวเมื่อไหร่ก็ยังแบกเอาไว้แล้วก็ทุกเอง ก็มีเหมือนกันนะที่รู้ว่าทุกข์นะแต่ว่าก็ไปโทษไปโทษสิ่งโน้นสิ่งนี้รู้ว่านักก็ไปโทษก้อนหินแต่ว่าแล้วทาไมไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางน้ําแร่มันก็มีอยู่ตรงนั้นต้องนานแล้วแต่เป็นเพราะเราเดินไปเตะหรือเอามือไปจับ ทำไมถึงไปเตะหรือเอามือไปจับเพราะไม่เห็นเพราะไม่รู้นะไอ้ความไม่รู้นี่แหละเนี่ยที่มันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมากับผู้คนบางทีความไม่รู้นี่ไม่ได้แปลว่าไม่เห็นนะอาจจะเห็นก็ได้แต่เห็นเป็นอื่นไปเช่นเห็นน้ําแหล่เนี่ยเป็นดอกไม้ ก็ไปความหมาบเข้าบอกว่าไม่ใช่ดอกไม้มันเป็นหนา ม, มนก็ทิ่มเอานะหรือว่าไปเห็นก้อนหินนึกว่าเป็นกองนุ่นนะก็เลยไปกายไปเตะมันหรือเห็นเป็นฟุตบอลก็หมายว่าจะไปเตะมันบอกว่า ไปเตะเอาหินเข้าปวดพอปวดเข้าเป็นงานเกิดโทสะนะไอตอนที่เห็นก้อนหินนึก ว, ว่าเป็นฟุตบอลเนี่ยอยากไดนะ้หยิบมันขึ้นมาไอตอนอยากได้นี่ก็เรียกว่าโลภะ้นามแหลมน ว, วาเป็นดอกไม้ ก็อยากจะเข้าไปจับมันอยากจะเข้าไปดมอยากจะเข้าไปครอบครองเด็ดมันนะอันนี้เรียกว่าโลภะแต่พอไปจับมันเข้าไอ้ที่เคยเป็นดอกไม้กลายเป็นน้ำแหลมก็ทิ่มเอาเจ็บเกิดโทสะขึ้นนะคือความโกรธความไม่พอใจ เนื้อก้อนหินเป็นฟุตบอลจะหยิบมันขึ้นมาหมายจะเตะพอเตะเข้ า, อาพอหยิบเข้ามาอ้วหนักหรือว่าไม่ทันหยิบเห็นมันก็เตะเลยไปเตะเหินเข้าก็เจ็บโทสะเกิดขึ้นทั้งโลภะโทสะหรือว่าความชอบจากครอบครองและการอยากผลักสายก็เกิดจากการที่หลงคือโมหะ เราไปหลงว่านาำนี่คือดอกไม้ก่อนหินคือฟุตบอลหรือปุยนุ่นความทุกงคนเราในชีวิตของเราในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันก็เพราะเหตุ น, นี้แหละสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เรารู้จักและเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยบางอย่างก็เห็นว่าเป็นสิ่งสวยงามน่าใคร่น่าครอบครอง แต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันมีนาำแหลนซ่อนอยูนะ่หรือว่าแท้จริงแล้วมันเป็นของหนักแต่เพราะความไม่รูนะ้เราก็เลยไปเกี่ยวข้องกับมันจยงไม่ถูกต้องไม่ระมัดระวังเจอหินก็แบกหรือไม่ก็ไปเตะเอา เจน้ําก็ไปจับมันเข้ามาอันนี้เพราะความหลงเพราะความมีอวิชชาความไม่รู้ที่พระเจ้าบอกว่าสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์เนี่ยนะอย่างที่เราสวดทำวัดตอนเช้าเนี่ยว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกขันทั้งหนี่ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละทั้งรูปธรรมและนามธรรมมันเป็นตัวทุกข์ก็หมายความว่ามัน มันไม่มีความสมบูรณ์มันมีความพร่องนะมันพร้อมจะทำให้เราทุกข์ได้มันเป็นเหมือนกับ น, น้ำแหลมมันเป็นเหมือนของหนักนะมันก็เป็นอย่างนั้นของมันอยู่ต้องนานแล้วจะไปหวังให้มันเป็นอื่นเป็นไปไม่ได้ มันก้อนหินมันก็หนักของมันอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นแหละน้ำมันก็แหลมของมันอยู่อย่างนั้นแหละเราจะไปเรียกร้องให้มันเปลี่ยนนะจากน้ําที่แหลมนะกลายเป็นดอกไม้จากก้อนหินกลายเป็นปุยนุ่นทําไม่ได้รสิ่งที่เราควรทําคือว่าเกี่ยวข้องกับมันให้เป็นเช่นถ้ามันเป็นน้ําแหลมก็อย่าไปทุบมันอย่าไปแตะมันถ้าเป็นก้อนหินก็อย่าไปแบกบ ที่พระเจ้าสอนที่ก็สอนเรื่องนี้แหละคือสอนให้เรารู้ว่าไอ้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะที่มันน่าคลายน่าพอใจหมายครอบครองเนี่ยแท้จริงมันมีหนามซ่อนอยู่หรือแท้จริงเป็นของหนักหรือแท้จริงมันเป็นของร้อนเมื่อทีท่านก็เปรี่ยนมาเกับฐานแดงๆนะ ผ่านแดงๆเนี่ยถ้าเราไปหยิบมันขึ้นมามันก็ร้อนแต่หลายคนส่วนใหญ่ก็มองไม่เห็นหรือไปเข้าใจว่ามันเป็นเป็นทองเป็นเพชรนินจินดาก็อยากครอบครองมันหรือถ้าปุ้ยให้มันชั้นหนายก็คือมันก็ว่าเห็นกล่องอยู่กล่องหนึ่งก็นึกว่าเ ป, เป็นกล่องกล่องเพชรอยากได้ทุกคนก็แย่งกันอยากได้ แต่กว่าในนั้นมันไม่ใช่เพชรเป็นงูเป็นอสสรพิษที่ซุกซ่อนอยู่อันนี้ท่านเปรี่ยบมันก็ว่าสิ่งที่เรียกว่ากามสิ่งที่เราเรียกว่าหน้าสิ่งที่น่าพอใจนะไม่ว่าเป็นเงินทองไม่ว่าอาหารนะไม่ว่าทรัพย์ ส, สมบัติพวกนี้เนี่ยมันมันเจอไปด้วยโทษหรือว่ามันซ่อนโทษเอาไว้ แต่เราด้วยความไม่รู้นะด้วยความมีอวิชชาเราก็นุ่มเป็นของดีนะของวิเศษของประเสริฐแย่งกันอยากได้เช่นอยากได้กันอยากได้ทองอยากได้เพชรในจินดาเสร็จแล้วได้มาเป็นไงไดมาก็ร้อนใจกังวลว่ามีคนกลัวคนจะมาเอาไปนะกลัวว่าคนจะขโมยกลั ว, วคนจะมาขอกลัวว่ามันจะ ศูส์สลายหายไปอย่างที่เคยเรียกว่ามีทองเท่าหนวดกุ้งสะดุ้งทั้งคืนเคยได้ยนสำนวนนี่ไหมมีทองเท่าหนวดกุ้งสะดุ้งทั้งคืนคืออย่าว่าแต่ทองเป็นแท่งเลยแค่เท่าหนวดกุ้งนี้ก็ทำให้คนร้อนใจแล้วอันนี้แหละก็เปลี่ยนเหมือนกับน้าแหลมที่มันซ่อนอยู่ที่มันทิ่มแทงใจหรือมันก็เป็นของหนักเป็นก้อนหินที่เรานุ่มเป็นของเบา มีเมื่อไหร่ก็หนักใจเมื่อ น, นั้นนะคนที่มีตำแหน่งสูงๆทีแรกก็ดีใจนะที่ได้ตำแหน่งนะเป็นผ อ, อ, อเป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการเป็นอาชิบดีเป็นประกกระทรวงรัฐมนตรีมีความสุขดีใจแต่ว่าก็มีความกังวลหลังจากนั้นก็กังวล กัวหรือกลัวว่าคนหนึ่งเขาจะมาแย่งออกไปมาแย่งเอาตำแหน่งไปก็กลายเป็นอยู่ร้อนนอนทุกข์ไปอันนี้เรียกว่าเจอหนามเจอหนามมันทิ่มเขาแล้วหรือว่าไปแบกของหนักซะละเจอของร้อนละอันนี้คือความจริงนะที่มันมีอยู่หรือเป็นอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่พูะเจ้าว่าเนี่ย สิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์หรือว่าโลกนี้เป็นทุกข์ก็คือความหมายนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีความสุขให้เราได้เสพแต่มันก็ซ่อนความทุกข์เอาไว้นะเหมือนกับปลาที่อร่อยก็จริงแต่มีก้างแล้วก็เป็นก้างที่แหลมด้วยถ้าเรากินปลาแบบนี้และเราไม่ระมัดระวังไม่มีสติก้างปลาก็กำตำคอตาาําปาก บางทีท่านก็เปลี่ยนเหมือนกับเหมือนเราเนี่ยเป็นเหมือนกับปลานะที่เห็นเบ็ดนี่เห็นเหยื่อมันลอยอยู่ในน้ำเห็นเหยื่อเห็นนอนเออมันอร่อยนะตัวใหญ่ด้วยก็ไายไปคว้ามหมับเข้าไปทีแรกก็อร่อยนะดีใจที่ได้กินเหยื่อแต่สักพักก็เจ็บ เจ็บเพราะอะไรเพราะเบตดมันแทงเอาเบ็ดมันซ่อนอยู่ทีแรกมองไม่เห็นนะแต่พอเข้าไปคว้ามันเบดมันก็แสดงตัวทิมเข้าไปเจ็บดีใจได้ประเดียวเดียวใส่แล้วก็ตามมาด้วยความเจ็บความปวดความทุกข์อันนี้แหละคือความหมายที่ว่าสิ่งทั้งมวเป็นทุกข์ก็คือว่ามันมันมีความทุกข์ซ่อนอยู่มากบ้างน้อยบ้างและพร้อมจะแสดงตัวออกมา มันมีอยู่ในทุกสิ่งแม้กระทั่งในตัวเราในร่างกายของเรานะมันก็มีทุกหลายคนก็เห็นว่าร่างกายนี้เป็นของดีของงามอยากจะทะนุถนอมนะต้องประดับประดาแต่อีกด้านหนึ่งที่มองไม่เห็นก็คือว่ามันก็เต็มไปได้วยทุกข์ที่มันพร้อมจะแสดงตัวตลอดเวลา เรานั่งในท่าไหนที่เราคิดว่าสบายลองนั่งไปสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเลยนะก็จะเริ่มปวดเริ่มเมื่อยถ้าไม่ขยับไม่เปลี่ยนท่าความปวดความเมื่อยก็จะรุนแรงมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่รอให้ความปวดความเมื่อยมารุนแรงก็ขยับบางทีขยับโดยไม่รู้ตัวนะเพราะว่าความเจ็บมันบังคับมันเรียกร้องเรานั่ง ทีแรกนั่งขัดสมาธิก็สบายตอหลังเริ่มเมื่อยเมื่อยทำงานเอาพิงเสาพิงเสาก็สบายแต่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงความเมื่อยก็ปรากฏนะไม่ไหวแล้วพิงเสานอนดีกว่าจะมีใครบ้างที่นอนโดยไม่ขยับเรานอนแล้วก็ต้องขยับเพราะอะไรเพราะว่ามันเริ่มเมื่อยพอนอนในท่าใดท่าหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงก็เมื่อยแล้วต้องขยับ ท่านไม่ขยับเลยนะก็เหมือนคนป่วยนะที่เป็นแผลกดทับเพราะว่านอนนานๆกลายเป็นปัญหากลายเป็นเรื่องขึ้นมาเลยนะไอ้นอนมากๆนี่ไม่ได้เป็นของดีนะั้น ท, ที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าความทุกข์มันมันแสดงตัวออกมาทีแ้กก็เมื่อยต่หลังก็เป็นแผลคืนหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเรานอนขยับปรับเปลี่ยนท่านี่ เป็นสิบครั้งก็ว่าได้เพราะอะไรเพราะความเมื่อยความเมื่อยก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งซึ่งมันอยู่ในตัวเราตลอดเวลาเพียงแต่ว่ามันรอเวลาที่จะแสดงออกมาความทุกข์บางอย่างก็ใช้เวลาพักหนึ่งกว่าจะแสดงตัวแต่ความทุกข์บางอย่างมันแสดงตัวเร็วมากเช่นเวลาเราหายใจเข้าถ้าเราหายใจเข้าไปเรื่อย โดยที่ไม่หายใจออกเป็นยังไงเพียงแค่5วินาที -10 วินาทีก็จะรู้สึกอึดอัดแล้วเราต้องหายใจออกการหายใจออกก็คือการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากการหายใจเข้าเป็นเพราะเราหายใจออกเราก็เลยไม่รู้สึกอึดอัดจากการหายใจเข้าแต่ถ้าเกิดเราหายใจออกไปยาวๆหายใจออกไปเรื่อยๆเป็นยังไงอึดอัดเครียด ต้องเปลี่ยนมาเป็นหายใจเข้าการหายใจเข้าคือการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากการหายใจออกแล้วเราก็บรรเทาทุกข์อย่างนี้ตลอดเวลาด้วยการหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกแต่ถ้าเราหายใจแค่เข้าอย่างเดียวหรือออกอย่างเดียวทุกข์มันแสดงตัวให้เราเห็นชัดเลยนี่คือธรรมชาติของ ของร่างกายของเราที่เราคิดว่ามันไปเป็นของดีของกระเซิร์ที่เราเชื่อวมันจะให้ความสุขกับเราได้เราทนุถนอมมันแต่ยังไงก็ตามมันก็เจอไปได้วยทุกข์ซึ่งตอนหนุ่ ม, มสา ว, สาวอาจจะแสดงตัวไม่บ่อยนักแต่ว่ามันซ่อนอยูนะ่ความแก่นี่มันก็แสดงตัวตลอดเวลาแต่มันแสดงตัวเทเลนิตเทเลิต จะเห็นก็ต่อเมื่อผ่านไปแล้วห้าปีเริ่มเริ่มเหี่ยวเริ่มยน่นมันเมื่อเข็มนาทีเข็มชั่วโมงนะเข็มชั่วโมงเนี่ยดูเหมือนว่ามันไม่กระดิกเลยมันไม่ขยับเลยนะไม่เหมือนเข็มนาทีมันวิ่งตลอดเวลาเข็มวินาทีวิ่งตลอดเวลาความเปลี่ยนแปลงของเข็มวินาทีเห็นชัดแต่ความเปลี่ยนแปลงของเข็มชั่วโมงต้องใช้เวลา ดูเหมือนนิ่งแต่ที่จริงไม่นิ่งนะมันขยับตลอดเวลาเพียง แ, แต่เราไม่เห็นในร่างกายมันก็มีความแก่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นเองในร่างกายเรามีความตายเกิดขึ้นตลอดเวลาเพียงแต่เรามไม่รู้ไม่สังเกตมีคนก็ประมาณว่าเนี่ยในร่างกายเรามีเซลล์ตายทุกวันเนี่ยประมาณ5้าหมถึงแสนล้านเซลห้าหมื่นถึงแสนล้านเซล์มัน ตัวเลขศูนย์นี่มันกี่ตัวยังนึกไม่ออกเลยเป็นสิตัวเลยนี่มันเกิดขึ้นกับร่างกายเราทุกวันนะความตายเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาแต่ว่ามันเกิดขึ้นใ น, ในระดับที่เล็กแต่ก็ไม่น้อยนะมันมากไงแสนล้านหมื่นห้าหมื่นล้านนี่ก็มากทีเดียวแต่ว่ามันไม่เกิดผลให้ร่างกายของเราเจ็บป่วย เพราะว่ามันมีการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาแทนในปริมาณเท่าๆกันไล่เลี่ยกันอันนี้แหละที่พระเจ้าจตรัสว่าเนี่ยความตายมีอยู่ในชีวิตนะความแก่มีอยู่ในหนุ่มสาวแล้วก็โรคภัยมันอยู่ในความไม่มีโรคอันนี้คือความหมายว่าร่างกายเราเป็นทุกเนี่ยความหมายหนึ่งนะทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะนะมันมัน มันเป็นทุกข์ในความหมายที่ว่ามันพร่องมันเสื่อมตลอดเวลามันไม่สมบูรณนะ์มันเป็นโทษแต่มันเจอไปได้วยโทษนะก็เปรียบเหมือนกับน้นาแหลมหินหนักหรือว่าฐานก้อนแดงๆเราเกิดมาในบรรยากาศแบบนี้ในสิ่งวัล้อนแบบนี้นะก็ะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆให้เป็น ก็คือไม่ไปแบกเอาไว้ไม่ไปเดินเตะมันนะถ้าเราไปเดินเตะไปแบกมันอันนั้นเราก็ทุกข์แล้วก็อย่างที่บอกไว้แล้วว่าเราทุกข์หรือว่าเราทําเช่นนั้นก็เพราะว่าเราไม่รู้เราหลงเราไปเห็นกงจักเป็นดอกบัวเราไปเห็นน้ําแหนมเป็นดอกไม้ เ, เหมือนกับที่เราเห็นเงินทองเป็นสิ่งที่หน้าพิษหน้า ปรารถนานะโดยที่มองไม่เห็นโทษของมันเลยอันนี้เรียกว่าอวิชชาความไม่รู้หรือว่าโมหะนั่นนั่นแหละคือที่มาของความทุกข์เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ที่ทางพาราหมณนะ์สมุทัยนะสมุทัยต้นเหตุแห่งทุกข์นะก็คือการที่เราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆด้วยความไม่รู้ เราอย่าไปโทษสิ่งต่างๆนะแม้ว่าสิ่งต่างมันจะพร่องมันจะไม่สมบูรณ์แม้มันจะเจอไปได้ทุกข์เพราะมันเป็นกันอย่างนั้นอยู่ต้องนานแล้วนะเวลาพระเจ้าบอกว่าสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์เนี่ยหรือว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกขนะ์อันนี้ก็ให้เข้าใจว่ามันเป็นทุกข์แต่ว่ามันไม่ใช่เหตุแห่งทุกข์นะเอแถงทุกวคือความที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์ แล้วเราก็เลยไปอยากได้มันอยากครอบครองมันหรือว่าไม่เห็นก็เดินไปเตะมันไปถูกมันสิ่งที่เราสมุทัยคือความไม่รู้อวิชชาและพอไม่รู้ก็ทําให้เกิดความอยากได้นะอยากครอบครองพอไปครอบครองมันไปถูกมันไปแบกมันโอ้ก็เป็นทุกข์นะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรทําคือว่า มาทําที่ตัวเราก็คือทําให้มีปัญญาเกิดขึ้นมีวิชามาแทนที่อวิชชานะเห็นสิ่งต่างๆ ต, ตามที่เป็นจริงว่ามันเกี่ยวไปด้วยทุกขนะ์มันเป็นสิ่งที่ถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับมันเมื่อไหร่หรือเกี่ยวข้องไม่ถูกก็สามารถทําให้เราเป็นทุกข์ได้นะน้ําแหลมถ้าเราจับเบาๆนะมันก็ไม่ทิ่เมเอาก้อนถิน ถ้าเรารู้ว่ามันอยู่บนพื้นเราไม่ไปเตะมันเราก็เดินลีกเราก็ไม่ทุกปลาที่มีก้างถ้าเรากินระมัดระวังก้างมันก็ไม่ตาคอนีหลายคนก็รู้จักวิธีกินปลาปลาจะมีก้างยังไงก็ไม่รู้สึกเจ็บนะเพราะว่าระมัดระวังเพราะว่ามีสติรู้ตัว ก็ทำให้กล้างเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้อันนี้ก็เป็นก็เปรียบเมื่อคนที่มีปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วแม้จะรู้ว่าโอ้ยตรงนี้ก็หินตรงนี้ก็น้ำนะตรงนี้ก็ฐานก้อนแดงๆงแต่ว่าก็เดินผ่านไปได้อย่างสบายโดยที่ไม่เจ็บไม่ปวด น, นะไม่ทุกข์อะไรเพราะว่ารู้เนี่ยรู้แล้วก็รู้จักหลบจักหลีนะไม่ถือฐานแดงไม่เตะ กนหินไม่ให้น้ำแหลมมาทิม น, นี่คือเปรียบคนที่มีปัญญาแม้ว่าจะอยู่ในโลกที่มันเต็มไปด้วยอันตรายนะแต่ว่าก็ปลอดภัยบางทีท่านก็เปรียบผู้ที่มีปัญญาอย่างนี้เหมือนกับลิ้นเหมือนกับคนที่อยู่ในในปากงูเปรียบเหมือนกับลิ้นที่อยู่ในปากงูปากงูไม่มีเขี้ยวแหลมนะ แต่ลิ้นก็ลิ้น ม, มันก็ไม่เคยถูกเขี่ยวแหลมทิ่มเอาเลยนะอันนี้แหละคือวิสัยของผู้ที่มีปัญญาที่รู้แจ้งในโลกก็สามารถเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆได้นะไม่ได้ปฏิเสธโลกนะอาหารอร่อยก็ไม่ปฏิเสธ ทรัพย์สินเงินทองก็ไม่ไม่ได้ปฏิเสธแต่ว่ารู้จักใช้มันไม่ใช่เผลอปล่อยให้มันใช้เรานะเงินทองเนี่ยมันเป็ น, เ ป, นเป็นบาวที่ดีแต่มันเป็นนายที่เลวนะชื่อเสียงเกติย้ก็เหมือนกันนะเป็นมันเป็นบาวที่ดีแต่มันเป็นนายที่เลวคือถ้าเรารู้จักใช้มันก็สามารถจะเกิดประโยชน์ มากมายทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแต่ถ้าเราใช้มันไม่เป็นมันก็ใช้เราแทนมันกลายมาเป็นนายเราพอเงินมาเป็นนายเราหรือทรัพย์สมบัติเป็นนายเราหรือชื่อเสียงเกียรติยศเป็นนายเรามันก็สามารถทำให้เราทําร้ายซึ่งกันและกันได้น้องค่าพี่พี่ฆ่าน้องก็เพราเงินเพราะมรดกบางทีลูกค่าแม่ก็เพราะมรดกหรือลูกฆ่าพ่อก็เพาะ จะสมบัติหรื อ, อยังต่ำๆก็คอรับชั่นทำผิดกฎหมายทำผิดศีลผิดธรรมก็เพื่อเงินอันนี้แสดงว่ามันเป็นนายเราแล้วและที่ปล่อยให้เป็นนายเราก็ความไม่รู้อวิชชาพวกเราจะไม่ถึงขั้นนั้นนะแต่ว่าไอ้ความไม่รู้ก็ทำให้เราไปแบกยึดสิ่งต่างๆมากมายเอาคาพูดคาจาของผู้คน ที่ไม่ไพเรานะคําวิพากษ์วิจารณ์ต่อว่าดาทอมาทิ่มแทงใจไอ้สิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับ น, น้ำนะน้ํานี้ถ้าเรามาวางถ้าเราไม่ไปเดินเตะมันหรือถ้าเราวางไว้ที่มือเฉยเฉยไม่เป็นอะไรนะแต่ถ้าเราไปก ร, รมมันนะมันก็ทิ่มเราได้หรือว่าเปรียบได้กับเศษแก้วนะที่มันแหลมคมถ้าเราวางไว้ที่มือเฉยเฉยมันก็ไม่เป็นอะไรแต่เราไปกำรร ม, มันเมื่อไหร่ เศษแก้วมก็บาดนิ้วบาดมือเอาอย่าไปโทษเศษแก้วนะว่ามันทำให้เราเลือดไหลต้องไปโทษตัวเรานะว่าทำไมไปก ร, รัมมันเอาไว้ทำไมกรัรมแล้วไม่พอไปบีบด้วยนะคนเรามักจะไปโทษเศษแก้วก็ทำให้ฉันเจ็บฉันเจ็บเหมือนกับที่เราไปโทษคาพูดหรือการกระทาของของคนบางคนเช่นเจ้านายเพื่อรงงานหรือคนรักนะว่าทาให้ฉันทุกข์ คำพูดเรานะั้นมันก็เป็นเหมือนกับเหมือนก็นลมนะที่ผ่านมาแล้วก็มาแล้วก็ไปคำพูดนี้เขาเรียกว่าลมปากนะลมปากนี่มันก็มาแล้วก็ไปแต่ทําไมมันยังค้างอยู่ในใจเราได้เพราะใจเราไปช่วยไปยืดเอาไว้แล้วลมปากนี่ถ้าไปแบบไปเยอะไว้นะมันหนักยิ่งกว่าหินอีกนะลมปากนี่มันไม่มีน้ําหนักแต่พอใจไปแบบไปยึดไว้นี่มันหนักทีเดียวนะ หนักอกหนักใจเราหนักอกหนักใจนี่รว้แล้วแต่สิ่งที่มันเป็นนามธรรมทั้งนั้นแม้เราจะหนักใจเรื่องรถเรื่องบ้านแต่จริงไอ้ที่หนักอกหนักใจ ค, คือคือความคิดถึงมันพอคิดถึงบ้านพอคิดถึงรถนะที่ต้องผ่อนหนักใจเลยอันนั่นแหละไอ้ความคิดมันเป็นนามธรรมนะแต่มันทําให้เราทุกข์ได้บางทียิ่งกว่าแบกของหนักจริงๆยิ่งกว่าแบกก้อนหินซะ อันนี้เพราะอะไรเพราะใจที่ไม่รู้นะใจที่ไม่รู้นะไม่รู้ตัวว่าแบกเอาไว้อาการปฏิบัติที่นี้เนี่ยเราจะในเรื่องการสร้างสตินะและสัมปชัญญะสติเรียกง่ญญายๆว่าไม่ลืมนะสัมปชัญญะคือไม่หลงจะเรียกว่าความรู้ตัวก็ได้นะถ้าเราลืมตัวนะ ใจลอยนะเราก็ไม่รู้ตัวแล้วเวลาเราสวดมนต์ถ้าเราสวดโดยที่ปล่อยใจลอยเราก็สวดผิดๆทุกๆุอันนี้ก็เรียกว่าหลงลนะทีแรกมันลืมตัวก่อนนะใจลอยนะเสร็จแล้วก็เลยไม่รู้ตัว ก็เลยทำอะไร ผ, ผิดพลาดไม่ถูกต้องแต่ตอนนี้ที่เรามีสติรู้ว่าใจลอยไปแล้วเอากลับมาความรู้ตัวเกิดขึ้นจิตมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็เกิดความรู้ตัวความรู้ตัวนี้ก็ทำให้เราทำสิ่งตา่างๆได้อย่างถูกต้องอ่านบทสวดมันก็อ่านได้ถูกต้องนะทางานก็ทาได้ถูกต้อง สติกับความความรู้ตัวเนี่ยมันเกื้อกูลกันมากซึ่งจะทำให้เราเนี่ยไม่ไปไม่ไปเผลอแบกเอาสิ่งต่างๆที่รู้แล้วแต่มันเป็นทุกข์รู้แล้วแต่เป็นโทษมาทําร้ายจิตใจสติมันทําให้เราเห็นว่าโอ้ที่แท้เป็นพ่อความคิดของเราต่างหากที่เป็นต้นตอของความทุกข์ เป็นเพราะเราคิดนะถึงเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วแทนที่จะปล่อยผ่านเลยไปเรากลับไปช่วยไปยึดเอาไว้ก็เลยทุกข์เป็นเพราะเราไปคิดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่ไม่ใช่เป็นปัจจุบันก็ทําให้ทุกขนะ์อยู่ตรงนี้ถ้าใจอยู่ตรงนี้นะอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันไม่ทุกข์หรอกอยู่ที่ศาลานี้มันจะทุกข์อะไรมากนะอย่างมากก็แค่เมื่อย นะพอนั่งเกือบชั่วโมงแต่ไม่มีอะไรที่ทำให้ทุกข์ใจได้แต่พอคิดถึงหนี้ที่ต้องผ่อนนะหนี้ที่ต้องจ่ายเนี่ยมันหนักใจเลยหรือว่าเป็นนองถึงเงินที่คนหนึ่งเขายืมเราไปแล้วไม่คืนทุกเลยแคนเลยกังวลเลยอันนี้เรียกว่าทุกพระความคิดนะ แต่ถ้าเรารู้ทันความคิดว่าใจมันเผลอไปใจมันลอยไปแล้วใจมันไหลไปแล้วนะสังเกตดูใจเราก็ถ้าไม่มีสติมันก็ไปแค่นี้แหละคือไม่ลอยก็ไหลใจลอยนึกถึงคนรักนึกถึงบ้านนึกถึงความสุขนึกถึงละครบางทีก็ลอยไปที่แรกก็ลอยไปนึกถึงคนที่สิ่งที่เราชอบก่อนตอนน่หลังก็ลอยไป ไปเจอไปปะกับสิ่งที่เราไม่ชอบไปเจองานการเข้าที่ค้างอยู่ไปเจอคนที่เคาต่อว่าด่าทอเราบางทีใจก็ไหลไปไปที่ห้องพักบ้างไหลไปที่เสียงไหลไปต้นเสียงที่มันดังบ้างบางทีก็ไหลไปหายุงที่มาเกาะบ้าง ที่แรกก็ลอยที่แรกก็ไหลไปไปมาก็จมเลยเนะี่ยจมอยู่ในความทุกข์จมอยู่ในอารมณ์จมอยู่ในความวิตกกังวลอันนี้เป็นเพราะความคิดแท้ๆเป็นความคิดที่ไม่มีสตินะเป็นความคิดที่เกิดจากการที่ไม่มีสติเข้าไปกำกับแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันวางมันลงได้นะกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัว คนเราที่อยู่ความรู้สึกตัวเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีแต่ความเบานะใหม่ๆพวกเราเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยรู้ว่าความรู้สึกตัวเป็นอย่างไรแต่ก็เปรียบเทียบได้นะเหมือนกับเวลาเราตื่นขึ้นมาแล้วเรางงเงียะลองงงเงียเสร็จเราหลับไปสักพักเราตื่นขึ้นมานะตื่นขึ้นมาเองไอ้ตอนตื่นเนี่ยมารู้สึกตัวคุณภาพของจิตมันจะต่างจากตอนที่งงเงียตอนที่หลับไปเลย มันต่างกันมากนะระหว่างความรู้สึกตัวกับความหลับไหลนะแตน่นี่เป็นความรู้สึกตัวอ่น อ, อนๆนะถ้าเรารู้สึกตัวอ ย, อย่างมีสัมปชัญญะจริงๆนี่ความงงเงียมันหายไปมันมีแต่ความตื่นความเบานะความแจ่มใสซึ่งก็ทําให้เราเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องมากขึ้นและสติสัมปชัญญะนี่แหละที่จะนำพาเราไปสู่การมีปัญญากา ร, การมีวิชา มาแทนที่อวิชชานะการเจริญสติมันจะนำไปสู่การทำวิปัสสนาที่ทำให้เราเห็นความจริงของสิ่งต่างๆอย่างถูกต้องเริ่มจากการเห็นความจริงเกี่ยวกับกายและใจนะแล้วก็รู้ว่าไอ้ที่ทุกเนี่ยไม่ใช่เราทุกเลยมันไม่มีเราที่ทุกเลยนะมันมีแต่กายกับใจที่ทุกไม่ใช่เราทุก มีท่านหนึ่งเขาเขียนชื่อหนังสือดีนะบอกว่าความจริงแล้วไม่มีใครทุกข์นะความจริงแล้วไม่มีใครทุกข์ไม่มีเราทุกข์ด้วยเพราะตัวเรามันไม่มีจริงมันมีแต่กายกับใจแต่เพราะอวิชชาเนี่ยแหละที่ทําให้เราไปคิดว่ามีตัวเรามีตัวกูของกูขึ้นมาแต่พอเราเห็นความจริงว่ามันไม่มีเรามันมีแต่กายกับใจรูป ก, กับนามไอ้ที่ทุกข์นี่มันคือทุกข์ที่เกิดกับรูป ก, กับนามไม่ใช่เกิดกับเรา ความรู้ว่าไม่มีเราทุกข์ไม่มีฉันทุกข์นี่มันช่วยปลดเรื่องความทุกข์ไปได้เยอะเลยนะ น, นี้คือความจริงเบื้องต้นที่เราควรจะรู้ซึ่งจะทำให้การอยู่ในโลกนีนะ้มันลดความทุกข์ไปได้เยอะแล้วก็จะคุ้มค่ากับการที่เราเสียเวลามาปฏิบัติอัละชา้านี่เราพูดกันท่านี้ับครับ